เออเป็นไงมั่งกลับไปแล้วชัดเจนไหมจที่มาการหลงตาเจ้าค่ะชัดเจนค่ะเดี๋ยวนี้ปฏิบัติก็เห็นกายเห็นจิตที่ละเอียดขึ้น เห็นกายที่มีสามกายกายเนื้อที่เป็นตัวเราหัวแขนขากายจิตที่เป็นสังขารปรุงแต่งแล้วกายรู้ที่ไม่มีอะไรเลยที่แรกกายรู้ก็นึกว่าเป็นผู้รู้แต่ทีนี้ผู้รู้นี้ผู้รู้มันมีอาการก็เลยรู้ว่ามันเป็นสังขาร มันวิาพาควิจาร์ตลอดเวลาเห็นมันมากขึ้นมากขึ้นทนี้ก็เป็นไปเห็นกายรู้ที่อยู่เหนือผู้รู้อีกทีหนึ่งก็เลยชัดเจนขึ้นเจ้าค่ะก็เพียรปฏิบัติสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการทำงานในชีวิตประจำวัน มันก็เลยมีเวลาได้ตลอดต่อเนื่องถ้าเราไม่หลงก็หลงน้อยลงเจ้าค่ะแต่ก็ยังหลงนะเจ้าค่ะก็เข้าใจชีวิตในกายในใจของเรามากขึ้นว่ามันเป็นธรรมชาติทุกอย่างที่เราไปทำเนี่ยมันเป็นอาการทั้งหมด ก็เลยเดี๋ยวนี้ปฏิบัติแบบสบายขึ้นนะไม่ได้ไม่ได้มีท่าทางไม่ได้มีรูปแบบอะไรอะค่ะก mm hmm. ็มีเท่านี้เจ้าค่ะหลวงตาเนธชี้แนะชี่แนะด้วยลวกันนะเจ้าค่ะแต่ทุกครั้งที่มามาฟังที่หลวงตาเนี่ยหนูจะได้เทคนิคทุกครั้งกลับไปปฏิบ mm ัต hmm. ิแม้ทั้งที่บางบอนหรือพระามห้าก็จะ ไปฟังเนี่ยไม่ได้ว่าจะถามอะไรแต่บางทีหลวงตาต อ, อบเนี่ยเราก็เอาตรงนี้ไปปฏิบัติแล้วมันจะเห็นเองอะค่ะก็เป็นแฟนพันแท้ของหลวงตาแล้วจ้ะคะฟังทุกขึงสาธุสาธุใครเป็นแฟนพันแท้จริงก็รู้จริงเห็นจริง่ะแล้วปฏิบัติจนมันเป็นจริงแั่เนี้ยเป็นจริงเป็นจริงอาจารย์ที่มามันมี เหมือนกับไปประกวดเป็นภาพนิมิตว่าเหมือนกับ เ, เราตัวเราพยายามมันเนี้ยพยายามจะไต่ขึ้นสุดยอดของหน้าผาเนี่ยที่สุดของหน้าผาสูงเนี่ยเรายังพยายามที่จะเอาตัวเราเนี่ยโหนขึ้นไปอยู่บ น, นบนที่สุดของหน้าผาได้พยายามจะเบี่ยงตัวเราเองขึ้นไปอยู่บนที่บนที่สุดของหน้าผาคือพยายามจะพาตัวเราเองไปถึงพระนิพพานจะไปเอาพระนิพพานจะไปเอากว่ามพนทุกข์พยายามเหมือนกับจะพยายามจะโหนตัวเราเบี่ยงเบี่ยงตัวเองขึ้นไป อยู่บนที่สุดของหน้าผาคุณนิพพานหรือความพปนทุกข์ไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันผิดนะเป็นเป็นความเป็นวิชาเป็นอาวิช า, า, ชาคือไม่มีตัวตนที่จะไปถึงไปได้ไปเอาไปเป็นไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีตัวเราที่จะไปเอาไปถึงไปได้ไปเป็นอ่ะถ้ายังพยายามที่จะเอาตัวเราไปถึงนิพพานไปให้บรรลุสู่ความพ้นทุกข์ มันจะมีความพยายามแล้วมันจะไม่ชามคนทุกเลยมันจะเหมือนกับพยายามที่จะเอาตัวเราเบี่ยงขึ้นไปบนที่สุดของหน้าผาที่สุดของที่สุดของภูเขาสูงเราก็โหนตองแ่งตองแหนงอยู่อย่างนั้นแหละจะเบี่ยงตัวเองพยายามเบี่ยงตัวเองไงก็เบี่ยงไม่ขึ้นเพราะความมีตัวเรานี่เองต้องไม่ห่วงใยอะอะไรอวรตัวเราปล่อยวางตัวเราหมดอนตัวเราที่รู้สึกว่าเจ้าตัวเราไปถึงไปได้ไปเป็นในตัวเราตัวนั้นเนี่ยจะต้องปล่อยวางมันไป มันเป็นตัวสังขารเป็นตัวขันห้าเป็นตัวปุงแต่งไอตัวที่เรารู้สึกตัวตัวเราตัวเราตัวเราตัวตนของเราเราพยายามจะช่วยตัวเราให้ไปถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์เราพยายามจะช่วยตัวเราให้ไปถึงที่สุดแห่งพันธิพานเราพยายามจะช่วยตัวเราให้ไปถึงพันธิพานอันนี้เนี่ยความพยายามจะช่วยตัวเราตัวเราตัวเราเนี่ยเจ้าตัวเราไปถึงอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรไอตัวนี้มันเป็นกิเลสตัณหาเป็นอวิชชาเป็นกิเลสตัณหา เราไอ้ตัวเนี้เราเห็นว่ามันเป็นสองขานมันเป็นมันเป็นขันธ์หน้าเป็นตัวปรงแต่งความรู้สึกที่เป็นตัวเราตัวเราเนี่ยเป็นตัวปรงแต่งมันเป็นขันธ์หน้าเราหลงว่ามีตัวเรามันเป็นอวิชชาปล่วางให้หมดหนูหนูก็รู้สึกเหมือนกันว่ายังมีตัวอยู่เนี่ยบางทีมันมันเหมือนเผอหรือว่ามันอยากก็ไม่รู้หรนูตารู้ว่าเรารู้สึกว่า มันยังมีตัวขยับอยู่ค่ะรู้สึกเหมือนกันแต่ความรู้ความเห็นของจันทิมาเนี่ยก้าวหน้าดีมากเลยเข้าใจใกล้เคียงชัดเจนมากไอ้ปล่อยวางตรงเนี้ยเห็นตรงนี้ปล่อยวางตรงนี้ตรงที่ลุตาพูดนี่ยเน่ยปล่อยวางความรู้สึกเป็นตัวเราที่จะเอาตัวเราไปช่วยตัวเราให้ไปถึงไปได้ไปเป็นอะไรพยายามจะช่วยตัวเราให้ไปรู้นิพพานช่วยตัวเราให้ไปถึงนิพพานปล่อยวาง ความรู้สึกที่เป็นตัวเราตัวเราไปเสียให้เห็นว่าความรู้สึกที่เป็นตัวเราเป็นอวิชชาเป็นกิเลสตัณหาที่จะพยายามเอาตัวเราไปให้มันถึงให้เป็นอะไรเนี่ยอยากให้มันถึงอยากให้มันได้อยากให้มันเป็นอยากให้มันบรรูุ้มันเป็นกิเลสตัณหามันเป็นอวิชชาให้เห็นว่ามันเป็นตัวสังขารตัวปรุงแต่งมันเป็นอวิชชาเป็นกิเลสตัณหาเราก็จะวางมันควางมันไปซะแล้วในตัวจะไม่มีหรอก ความนทุกข์คือสิ้นความเป็นตัวเราไม่มีตัวเราที่ไปถึงไปได้ไปเป็นอะไรนั่นนะถึงจะนทุกข์แต่จะมีความรู้สึกว่ามีตัวเราตัวเรามันก็จะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเรายังไม่ถึงตัวเราจะไม่ได้ตัวเราจะไม่เป็นอะไรตัวเรายังไม่ถึงตัวเรายังไม่ถึงตัวอะไรไม่เป็นตัวเราย่งไม่บรรลุมันจะพยายามอยู่ในั้นมันจะมีความทุกข์ความเครียดกับการพยายามพอสิ้นความมีตัวเราไม่มีตัวเรามันก็ไม่มีใครทุกข์เลยไม่มีใครถึงไม่มีใครได้ไม่มีใครเป็น นั่นแหละที่หลวงปู่ดูลนตโลว่าเปล่าๆบริสุทธิ์จากความมีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนก็ไม่มีกิเลสตัณหาเพราะไม่มีผู้ยึดถือไม่มีผู้ยึดถือไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้านก็ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความทุกข์นิพพานคือสิ้นความรู้สึกมีตัวตนจะไปถึงไปได้ไปเป็นอะไรไม่ใช่ว่าเพียนให้ที่สุดแล้วให้ตัวเราไปถึงพนิพพานตัวเราไปได้ตัวเราไปเป็นอะไรหรือเพียนที่สุดให้ตัวเราพ้นจากทุกข์ไม่มี ต้งสิ้นความรู้สึกว่ามีตัวเราจะไปได้ไปเป็นอะไรหรือสิ้นความรู้สึกว่ามีตัวเราจะเป็นทุกข์นั่นแหละความเป็นทุกข์ที่จะจะเกิดขึ้นจริงเพราะสิน้นความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นตัวเรามีตัวตนของเราก็จะไม่มีตัวเราไปยึดถืออะไรความนทุกข์ก็จะเกิดขึ้น